โดูนะลงรงทานนะโรงทานโดยเฉพาะยังยิ่งโรงทานนาคำน้อยขายหน้าหลวงพ่อไม่ได้นะมีอะไรอยู่ในครัวขนมาออกมาเลี้ยงพี่น้องให้หมดหลวงพ่อบอกแต่วันวายันก่อนนะหลวงพ่อบอกว่าแต่หลวงพ่อเขาไม่ได้ประกาศไปที่ไหนก็ไม่ไม่ได้ประกาศไม่ได้พูดพูดแต่ที่ศาลาวันเดียวเท่านั้นะ ถ้าพูดมากมันก็ไม่ดีเดี๋ยวก็จะหาว่าหลวงพ่ออินเลียอะไรมาซื้อที่ดินอีกหลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะพูดมิจะบอกเฉยเฉยไม่ใช่เลียอะไรนะบอกเฉยเฉยว่างั้นแะใครอยากจะทาบุญใครอยากจะได้บุญอ้าวมาร่วมกันทําบุญเนอะบอกวันเดียวแต่คิดว่าคนน่าไม่น่าจะมากมั่งหลวงพ่อก็ว่างั้นถ้าหากว่าเติมกัน จังไรใคก็ให้เตรียมพร้อมเอาไว้ทางในครัวเอยากจะให้ขาดตกบกพร่องเนอ้อเพราะว่าพวกเรามันอยู่ไกลตลาดอาหารมันไม่เหมือนอยู่ในเมืองถ้าอยู่ในเมืองออกไปมันที่ไหนมันก็ได้อยู่ได้กินทั้งหมดดูหน้ายูงของเราเนี่ยออกไปมีแต่สวนยางเต็มไปหมดมันไม่ไม่มีร้านเอาหงอาหารออวันนี้นับว่า เป็นวันมงคลมงคลมหามงคลสำหรับวัดของเราวันนี้เป็นตรงกับวันที่เจ็ดมกราคมพุทธศักราช255พนหิบห้าเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันโกนด้วยวันนี้วันวันพุ่งนี้เป็นวันพระเป็นวันเดือนสองเพน ปีพุทธศักราช 2,555 อย่าลืมพี่น้องคณะสัตยาิโยมโลูกหลานทุกหมู่เหล่าเป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่วันพรุ่งนี้แต่วกวันนี้เป็นวันเสาร์พวกคณะสัทธาธาิโยมวัดหลวงพ่ออย่างที่พออสุจิตได้ประกาศให้แก่คณะรัทธาธาิโยมได้ทราบก่อนหน้านี้ว่า จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อเอาที่ดินมาผนวกหรือมารวมกันกับวัดป่านาคำน้อยแต่ตามไม่จริงวัดป่านาคำน้อยของเรานี่ก็มีที่ดินประมาณพันกว่าพันสามร้อยกว่าไร่ที่มีกำแพงล้อมรอบแล้วก็ทำไมหลวงพ่อจึงเอาอีกอันนี้ก็อย่างที่พออจุจิตพูด คือโยมสสสุรชาติท่านได้มาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปดูกับคณะกรรมการของวัดไปดูก็น่าจะเกิดประโยชน์สาหรับวัดป่านาคําน้อยของเราเพราะถึงจะเอาอยัางไงท่านที่ดินของท่านก็ยังมีอยู่ไม่ได้เดือดร้อนนะไปดูก็เออเป็นที่ดินทั้งสี่สิบวไร่เป็นนส .3 อีกต่อไปภายภาคหน้าก็ยังไม่แน่ว่าจะ ทำเป็นสำนักชีหรือทำเป็นวัดต่อไปภายภาคหน้าจะค่อยพูดกันอีกที่หนึงแต่ขณะนี้ก็ไปดูดูแล้วก็ต่างญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหรือว่าคณะกรรมการหรือว่าฝ่ายพระสงฆ์ที่วัดในวัดก็ไปดูไม่ใช่หลวงพ่อชอบองค์เดียวนะทางว่าหลวงพ่อชอบองค์เดียวเดี๋ยวเขาจะว่าเอาหลวงพ่อชอบองค์เดียวให้หลวงพ่อไปอยู่ซะจะาหลวงพ่อก็หมดปัญญาเหมือนกันนั่นแนะ ท่ น, นี้หลวงพ่อก็เอาทั้งพระทั้งโยมทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายทั้งชีทั้งอะไรไปดูสูเจ้าชอบไหมจะเกิดประโยชน์ไหมต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็มาทิ้งทิ้งทิ้งว่างๆไม่ได้นะเอามาแล้วต้องให้เกิดประโยชน์ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเป็นที่ปฏิบัติธรรม พ, รพ่อวัดของเราถึงจะวัดกว้างกว่าจริงอยู่ถ้าว่าพวกเราเข้าไปในวัดของหลวงพ่อเนี่ย บริเวณวัดของหลวงพอ่อเนี่ยมันเต็มไปด้วยไม้ทั้งหมดปลูกไม้แน่นทั้งหมดเอสรุปแล้วก็คือไม่รู้จะเอาลงที่ไหนเสียดายป่าแต่ถ้าเราจะปลูกที่พักพาอาศัยของคู่คนก็เป็นการทําลายป่าไกลๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะให้มันเสียดายป่ากวนจะเอาไว้จุดนี้ถ้าจุดนั่นก็น่าจะให้เป็นที่พักพาอาศัยคณะทาญาติยโยมมาจากจากตุรทศิศหรือว่า อาจจะเป็นพระที่พักพาอาศัยเพราะที่มันตั้ง48ไร่ก็น่าจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อคิดอย่างนั้นก็เลยได้ตกลงเพราะไม่ใช่ตกลงแต่หลวงพ่อองค์เดียวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะคณะสัตญยญาติโยหรือว่าคณะกรรมการของวัดหรือพระในวัดคนในวัดของหลวงพ่อก็ไปดูก็เห็นพ้องต้องกันนะเพรวน่าจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อจึงได้ตัดสินใจเออ พอเอาแล้วก็ทีนี้เรื่องจงตุปัจจัยอย่างที่พออสุจิตพูดน่นะโยมสอสชุดชาติท่านก็จะยกให้แต่ก็ท่านมีความจำเป็นจะต้องได้ใช้เงินหลวงพ่อก็เอาก็เลยเป็นคณะกรรมการและคณะสัตไทญาโยมก็ได้มารวบรวมกันว่ า, าจะมามีการทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดิน เพราะว่าการซื้อที่ดินนี่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกับผูดได้เต็มปากเหมือนกันเมื่อซื้อเข้ามาแล้วไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่ออินเนอะหลวงพ่ออินจะอยู่ไปด้วยเป็นนานสักเท่าไหร่หลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนั่นแหละยืมวันอยู่เหมือนกันถ้าลมหายใจหยุดเมื่อไหร่ก็เมือนนั้นละมันเพราะนั้นในเมื่อหลวงพ่ออินจากไปแลว้วก็ตามดินตรงนี้ก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านาน เป็นสวัสดิของลูกของหลานต่อไปนานเท่านานพอเป็นนอสอสามแล้วก็พร้อมที่จะเป็ น, นโฉนดได้ต่อไปภายภาคหนา้าอาจจะเป็นสำนักหรือปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายนี่เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้รวมกันซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาถวายไว้ ให้แก่สมบัติวัดป่านาคําน้อยวัดป่านาคาน้อยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพวกเราทุกคนอย่างพวกเราที่ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่บนศาลาเนี่ยเป็นศาลาของใครเป็นชุดศาลาของพวกเราทุกคนแล้วก็พวกเรามาปฏิบัติธรรมเป็นวัดของไทยแต่เป็นพวกวัดของพวกเราทุกคนเป็นสํานักปฏิบัติธรรมใม่เขาว่าเป็นแหล่งหรือว่าเป็นจุดหรือว่าเป็นที่ทําเลหรือว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลาย เป็นสถานที่รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ก็ลักษณะอย่างที่หลวงพ่อได้ ก, กล่าวเนี่ยแหละเป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาตามเป็นบุญกุศลแล้วก็หลวงตา ม, มหาบัวท่านเคยพูดว่าผู้ใดก็ตามยินดีหรือ ว, ว่าทําบุญเกี่ยวกับที่ดินอ น, นุสงแห่งการถวายที่ดิน ไว้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นหนทางที่จะไปสู่พระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิต่อไปภายภาคหน้าเพราะได้ถวายที่ดินนี่แหละอย่างที่พระอจอุจิตพูดเป็ตน้นว่าถ้าใครถวายน้อยก็ได้ยืนถ้าใครถวายมากก็ได้นั่งถ้าถวายมากเข้าไปก็ได้นอนเหยียดแข้งเหยียดขาได้ถ้าถวายมากก็ได้สร้าง ที่พักพา ส, าสร้างบ้านสร้างเรือนบริษัทบริวาร<ม>แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาแล้วเออถึงยังไม่มีมากข่าวนี้ก็ น, น้อยซะก่อนแต่่าควรจะทำนะหลวงพ่อว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นไม่ควรประมาทควรจะทาบาทหนึ่งสองบาทเราซื้ออย่างอื่นเรายัางซื้อได้อันนี้เราทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของกลางก็น่าจะ ลงทุนแต่มากหรือน้อยก็ตามกำลังศรัทธาโดยตามกำลังทรัพย์ของเราไม่ว่ากันแต่ว่าควรจะทำพอมาถึงตรงนี้แล้วพอทำแล้วก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ของใครเป็นของพวกเราร่วมกันเป็นของพระพุทธศาสนาการทําสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยทางพวกเราทําไปแล้วน่มันก็สบายใจส่วนหนึ่งเหมือนกันนะการทําทาน ทำไมพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ทานใช่เพราะว่าการทำบุญทำทานเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขพระพุทธเจ้าท่านประ ก, กาศและท่านบอกเลยว่าที่เราได้ตั ด, ดจะรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะอเิสง์ทานนะเป็นพื้นฐานแต่นี้เรามาพิจรนารณาดูในพระไตรปิฎกหรือว่าในสาวกประวัติของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระษาลิบุตร หรือพระโมกราหรือพระอนนท์ที่ท่านได้เอี่ยวเนื่องมาถึงทุกวันนี้ที่ท่านได้บรรลุธรรมนะท่านมีอา น, นิสงส์อะไรดูๆแล้วก็เป็นอา น, นิสงส์ทานใช่มากกว่าอย่างพระศิวลีอย่างนี้พระศิวลีทําไมจึงมีลาบมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราแต่ตามไม่จริงท่านก็เป็นคนชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะ แต่ว่าที่วันวันที่เด่นที่สุดของท่านนะคืออะไรในประวัตินะประวัติพระศีวลนะีคือเด่นที่สุดวันนั้นคือพระพุทธเจ้าปทุมุตระท่านไปบินธบาตและมีพระมหากษัตริย์มีพระมหากษัตริย์กับมีชาวชาวเมืองถวายอาทิตย์สถานนะคือในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่ง ในมีคร well ั้งหนึ Power, ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็มีพระเจ้าประเสริฐกับพี่น้องประชาชนทําบุญแข่งกันฮะการแข่งกันเนี่ยบางคนโอ้จะไปทําบุญแข่งกันไม่ได้บุญออย่าไปพูดอย่างนั้นถ้าทำบาปถ้าทําบาปแข่งกันก็ต้องเป็นบาปวันยังค่าถ้าทําบุญแข่งกันก็ต้องเป็นบุญวันยังค่ําเหมือนกันถ้าทําบุญทําความดีแข่งกันะมันก็เป็นความดีถ้าทําความชั่วแข่งกันมันก็เป็นความชั่ว เพราะนั้นทําความดีมันก็ต้องดีไปชั่วได้ยังไงทาความชั่วแล้วจะดีได้ยังไงใอันนี้คือพระเจ้าปเสนทําบุญแข่ง ก, กันกับพี่น้องประชาชนประกาศเออขราวนี้พระเจ้าปเสนปเสนทำวันรุ่งขึ้นชาวบ้านทำวันรุ่งขึ้นอีกพระเจ้าประเส น, น, นทำออนนอพอในสุดพญาปเสน จ, จ, จะสู้คนไม่ได้ท่านี้สู้ชาวเมืองไม่ได้เพราะชาวเมืองเขามากกว่าเขาหาครบหมด เออพระเจ้าประเสนเอามือก่ายหน้าผากแลยย้วไงจะสู้พี่น้องประชาชนไม่ได้ที่นางบรรเลงามเป็นอ克拉รมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกรธส่วนเนี่ยไปถามว่าทําไมพระองค์จึงอมีอะไรจรึงทุกข์ใจพระเจ้าประเสนโอ้การทําบุญข้านี่เนี่ยคงจะสู้ประชาชนไม่ได้พ่อไปเห็นประชาชนเขาโอ้โหเขาลุ่มเขาทาขนานหนักเลยแต่เราเมื่อดูแล้วมันมัน มันมีอำนาจวาสนาของมากก็จริงยู้แต่มันจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขามันมากกว่านางมาเล ก, กาก็บอกว่าประชาชนเน่ยเขาไม่มีไม่มีเครื่องอำนว ย, นวยความสะดวกมีอำนาจวาสนาอย่างพวกเราประชาชนเขามีมีช้างนี่ขอพระองค์ให้จัดช้างห0าร้อยเชือกอแล้วก็พระสงฆ์จัดอาสนะ5 0าที่ จัดบันลังขึ้นมาห้าร้อยที่แล้วก็ให้จ้างให้ช้างห้าร้อยเชือกหมอบแล้วก็ยกฉัดกั้นพระห้าร้อยองประชาชนเขาไม่มีดอกช้างมีแต่พระราชาเท่านั้นน่ะมีช้างพระเจ้าประเสียนเออใช่จากนั้นก็พระเจ้าประเสียนก็เลยจัดอาชนะเป็นธรรมมาตขึ้นมาหรือว่าเป็นบันลังขึ้นมาให้พระสงฆ์ ก็ล้วนแล้วจะเป็นพระอระหันต์พระพุทธเจ้าเป็นประธานในวันถวายอทิษฐานในวันนั้นจากนั้นก็พระสงฆ์ขึ้นไปนั่งบรรลังเสร็จแล้วก็มีช้าง499เชือก499เชือกถือถื อ, ถอชเวศสัตว์ด้วยถือปักกัทนกั้นในพระสงฆ์เหล่านั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนถึงองค์สุดท้ายตอนนี้มี มันขาดช้างอยู่เชือกหนึ่งช้างอยู่เชือกหนึ่งอ้มันอยู่ในอยู่ในกรงดัน้เขาก็ถามว่ามียุช้างแต่มันดุนะ้ช้างตัวนี้นะถ้าปล่อยออกมานี่ยไม่รู้จะออกหัวออกก่อยอแต่ว่ามันไม่อยู่ในช้างอยู่ในเชือกอยู่ในนี่แต่องคูนย์ท้ายก็คือพระองค์กุลิมานท่นี่พระองค์กุลิมานโจรกระดุกร้ายเหมือนกันเหมืนันะเออ องนั่งองสุดท้ายแต่องค์นั้นไม่มีไม่มีเออเออชเวดหรือว่าไม่มีปะกทนไม่มีเออที่กัน้นแต่นี้ก็เสียงเหมือนั้นอ่ะเนี่ยเพราะยังขาดดูอง์เดียวมันไม่น่าดูในะเสียงไปเอาออกมาก็เลยให้คุมให้คุมอย่างเข้มข้นหน่อยนะเหมือนกันไอ้ช้างตัวเนี้ยมันดุนะคือช้างดุมันก็มีเหมือนกันนะแต่เขาก็เอาออกมาพอช้างมาตัวนั้นมา มาโอ้โหหมอบอย่างดีเพลเอลยจะจะสวยกว่าตัวอื่นอีกต่างหากทีนี้คนทั้งหลายโอ้โหแปลกใจว่าขนาดช้างตัวนี้มันดุจริงๆแต่พอมาถึงพระองค์กุริมาแล้วยกถวายฉัดใท้สวยงามเลยเป็นที่ล่ำลือกันนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อถวายปัตหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ไม่อนุโมทนาวันนะพอฉันยังขันเสร็จเรียบร้อยแล้วมอง ประชาชนเสร็จแล้วเดินออกเลยเ อ, อพร้อมเขาประสงค์ทั้ง500ห้าร้อยองค์กลับวัดเลยท่นี้พร ะ, ระเจ้าปเสนเนี่ยแปว่าวันนั้นได้ทําบุญถึงสิบสีโโ่โกดฟังเอาซิสิบสี่โกดสิบสี่โกดโกดที่สิบล้านหมื่นแสนล้านออล้านแล้วก็โกดอสิบหมื่น <c oughs> เป็นแสนสิบแสนเป็นล้านอสิบล้านเป็นโกดท่นี้ทําบุญถึง สิโกดในวันนั้นนะทีนี้ก็พอทําบุญเสร็จแล้วพระองค์ไม่อนุโมธนาให้ไม่อนุโมธนาให้พรเดินออกจากออกจากที่ที่สวยประกยายฐารของพระองค์กับพระสงฆ์กับวัดป่าเชตะวันพระเจ้าพระเจ้าเปเสนที่โศวก็รู้สึกฝ่าน้อยพระไทยหรือว่าเสียใจลึกๆแต่ไม่รู้จะทํำยังไงพระองค์ไม่อนุโมธนาให้พรตีนี้ก็เลย กราบถามพระพุทธเจ้าวันในวันต่อมาพ ร, พระพุทธองค์ทําไมหนอจึงไม่ได้ทว่าไม่อนุโมทนาให้พรเพราะพี่น้องประชาชนทําบุญขนาดนี้แล้วก็อยากจะรับอนุโมทนาจะรับพรจากพระพุทธองค์แต่พระองค์ก็เฉยพระองค์จงใจว่าท่านลืมหรือเปล่าอย่างพวกเราก็คงจะสงสัยอย่างนั้นนะลืมหรือเปล่าเน้เ อ, อแต่จะลืมได้ยังไงทาบุญใหญ่ถึงขนาดนั้นใช่ไหม เนี่ยแต่เดินออกไปพระองค์ออกจากที่ประชุมออกจากในที่นี่หมดพระองค์บอกว่าที่เราไม่อนุโมทนาให้พอรนั้นน่ะมันมีพุทธบริษัทสองกลุ่มในนั้นน่ะมีอมาดอมาตใหญ่อยู่สองอมาตคนหนึ่งบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าแผ่นดินของเราหนึ่งทำไมมีศรัทธาถึงขนาดนี้ ถ้าเราทำนะถ้าเป็นเราเป็นพระเจ้าเป็นดินเราจะทําให้กว่านี้อีกเพราะเราจะได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ขอหาได้ง่ายอัเทศได้มาเกิดมาพบ พ, พระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้แล้วเราจะทําให้ยิ่งกว่านี้อีกถ้าเราเป็นพระเจ้าเป็นดินเนีไม่ต้องว่าแต่สิบี่โกดเอาให้กว่านี้อีกเท่าหนึ่งเลยไอันนี้คืออมตะคนหนึ่งแต่ออมตะคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหทำไมพระเจ้าเป็นดินของเราเนี่ยทำไมโง่นัก ทำไมจึงไปหายเสียสละให้สมนม้าศีรษะโลนมีแต่ตีพุงไปนอนอยู่ในวัดพระตั้งห้ารอองค์เสียเงินทั้งสิบสล้านน่าจะเอาเงินเหล่านี้มาให้พี่น้องประชาชนที่ทุกจนเออทำไมพระเจ้าแผ่นดินของเราเนรี่ฟูงเฟ้อฟุ่มเฟือ่อยทำไมจึงหลงละเริงลืมตัวทั้งขนาดนี้เอาเงินหลวงมาถลุงออ เรานี่ได้พระเจ้าเป็นดินโง่ขนาดนี้ก็มีนะคืออมาตะคนหนึ่งเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะเพราะนั้นเลยวัานาน า, น า, นาจิตตังนานาทัศ น, นะจากนั้นก็พระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าถ้าเราอนุโมทนาวันนี้นะออบอกว่าเออบุญกุศลพวกท่านทั้งหลายที่ทำบุญในวันนี้จะเป็นอุปนิสัยหรือเป็นปัจจัยลักษณะสรองเฉลิมนะอมตคนนี้ก็ยิ่งคิดมากขึ้นไปอีกศีษะของเท้าจะแตก ในเดี๋ยวนี้ในวันนั้นเนี่อศีษาของเขาจะแตกในขณะที่พระพุทธองค์แสดงธรรมเพราะเหตุ อ, อะไรเพราะเขาประมาทอย่างแรงพระองค์ก็เลยไม่เห็นความอนุเคราะห์เขาเมื่อถ้าว่าเขาเมอถ้า พ, พระพระุทธองค์เทศอบอนุมโทนาแล้วอามา์คนนั้นก็จะจะศีษาแตกพตระองค์ก็ไม่อนุมโมโทนาก็เลยเดินออกมา เดินออกกลับกับวัดเฉยๆพระเจ้าประเสนได้ยินอย่างนั้นแล้วก็กลับมาเลยกลับมาถึงเวียงหวังก็ประชุมเรียกประชุมใหญ่พอเรียกประชุมเสร็จแล้วก็ถามเลยถามอํามาตะคนที่คนที่มีศรัทธาอํามาตะผู้มีศรัทธาเขาก็บอกผมโบ่เขา้เขาเก้าขะผมเห็นพระองค์ทําบุญในวันนี้นะมีปรีตปีติปลื้มปีติอย่างมาก เออพราะที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระอรหันต์พบพระพุทธเจ้าอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนไม่ใช่ว่าเกิดมาพกทุกพบทุกชาติจะได้เจอพระพุทธเจ้าอันนี้ได้มาทําอย่างนี้แล้วโอ้โหกระผมเห็นด้วยอย่างมากในการกระทําบุญในครั้งนี้ที่ว่าทําบุญอาทิตย์ฐานเนี่ยคือทําบุญ14โกรธเนี่ยน้อยมากในความรู้สึกของกระผมแต่พอถาม คนอมานคนที่สองพูดตรงๆนะเนี่ยทําไมเนี่ยทำไมจึงได้คิดอย่างนั้นน่ยอมานคนนนั้ก็พูดตรงๆออกมาจากนั้นพระเจ้าพระเสียรก็ได้ปลดตําแหน่งปลดตําแหน่งอันนี้พระเจ้าประเสียรบอกว่าสมบัติอย่างนี้เป็นไม่ใช่สมบัติของใครเป็นสมบัติของเราถึงจะบัตเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เถอะอันนี้เป็นสมบัติส่วนพระองค์เอเราได้เก็บพร้อมล้อมฤิบมาตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเรา อันนี้เป็นสมบัติของเราเราจะทำบุญยังไงก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของเราทำไมเธอจึงได้คิดอย่างนั้ น, นต่อไปมันจะเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเรานะถ้าหากว่าเป็นก็คิดอย่างนี้แนตะ่นั้นพระเจ้าประเสริฐก็เลยปลดออกจากตาแหน่งไล่ออกจากเมืองอีกต่างหากก็เลยยกตำแหน่งให้แก่อมาตผู้รองเนะีเป็นอมาตใหญ่นี่แหละอันนี้ก็คืออธิษฐาน การทำบุญใหญ่จะให้คนนับถือเริ่อมใสหรือเห็นคนคนเห็นด้วยทุกคนเป็นไปไม่ได้พูดถึงกันได้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีแต่ผู้ที่เห็นด้วยก็มีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันการทําบุญในวันนี้ บ, บางคนโอ้ที่กินหลงพ่ออินที่มีตังเยอะแยะทําทไมทํำแต่บางคนเออน่าจะเอาไว้พ อ, อไว้เสร็จแล้วก็ไม่ใช่เป็นของผุ่นผู้ใดเป็นของพระพุทธศาสนานานเท่านานถึงถึงหลวงพ่ออินตายไปแล้ว หลวงพ่อเอ็นคงไม่เอาเอาไปด้วยไม่ได้มันก็เป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าบ้านเมืองของเราอต่อไปภายภาคนั้นนจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาก็คงจะเกิดประโยชน์เราจะทําอะไรก็ได้ต่อไปในอนาคตเป็นของกลางมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นไม่เป็นสมบัติส่วนตัวมันเป็นสมบัติของกลางสมบัติของพระพุทธศาสนานอันนี้ก็คือความ ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ที่มาพูดถึงพระสิวลี น, นี่อเนสงในการทำทานของพระสิวลีเนี่ยทำไมพระสิวลีจึงรวยเอออเ น, นสงของท่านในประวัติของท่านท่านว่าในอดีตชาติพระสิวลีเกิดในาศาสนาของพระพุทธเจ้าปฐมมุตระนับจากนั้นไปนเกิดเพราเป็นอสงไขแสนอสงไขกลับไปท่านเกิดมาเป็นชาวบ้านนอก ชาวบ้านนอกแต่ในท่านก็อุปนิสัยของท่านก็คงจะมีมการทําบุญทําทานในจิตใจของท่านท่านไม่ได้พูดถึงแต่วันนี้ท่านเดินทางมามาเห็นไปได้น้ําพึ่งน้ําพึ่งในระหว่างทางพอได้น้ําพึ่งมาสมัยนั้นเขาก็ไม่มีขวดไม่มีขวดไม่มีกระบอกเขาก็ไปหาใบาบัวใบบัวใบบอลใบหย่อยๆจากนั้นเขาก็บีบน้ํำพึ่งน้ําผึ้งใส่ใบ ใบบอลใบบวนแล้วก็มัดเป็นกระจุกจากนั้นเขาก็ถือเข้ามาเข้ามาในเมืองเออถ้าว่าจะขายก็ขายมันเป็นการฝากญาติลักษณะนั้นน่ะแต่ได้เขาถือมาแต่นี้พระเจ้าเป็นดินกับประชาชนทำบุญถวายถวายอุทิษฐานอย่างที่พระเจ้าประเสริฐทำนี่แหละคือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งแต่มีวันเดียวเท่านั้นละ่ะเอามีครั้งเดียวเท่านั้นละ่ะที่ถวายแข่งกัน ตอนนี้ก็พระเจ้าปทุมพุตราก็มีการถวายแข่งกันเหมือนกันทั้งพระเจ้าประดินและประชาชนวันนี้พอทําบุญแข่งกันไปแข่งกันมาแข่งกันมาแข่งกันไปพอี่สุดประชาชนก็วันนี้เราจะเอาให้ชนะเพราะทำมาหลายวันแล้วพวกเราเอาให้ครบทุกอย่างคําว่าไม่มีในของฐานของเราอย่าได้มีตอนนี้ก็หามาหมดทุกอย่างเอาหงอาหารการบริโภคในพื้นปฏิพีนอาหารอันไหนที่กินได้ ที่อาหารอารอร่อยมีแต่นี่พอเสร็จแล้วเนี่ยขาดน้ําผึ่งเออในในการทําทำธุระในวันนั้นน่ะพระพุทธเจ้าปฐุมมตระเนี่ยขาดน้ําผึ่งน้ําตาในอื่นมี ม, มดถามน้ําผึ่งมันโอ้น้ําผึ่งขาดด้วยเงี้ยไม่มีไม่มีแต่น้ําผึ่งอย่างเดียวของทานของเราเพราะว่าเอาไปคนละทิตทางถ้าเห็นใครเห็นน้ําผึ่งเอามาเลยเรื่องราคาไม่พูดกันเหมือน พวกนี้ก็แตกไปคนละทิ่าทางเพื่อเอาน้ำผึ้งมาให้มันทันเหตุการณ์ตอนนี้ก็ไปเห็นชาวบ้านนอกกาลังเดินมา <c oughs> คงจะมีผ้ า, มาขม้าคาดพุงมาอะไรปนกมาณนั้นพอมาเห็นถืออะไรลุ่งน้ำผึ้งเหมือนกันเอาเอามาข ม, ม, มาน้ำผึ้งมาขายไหมขายขายมากเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่คนนี้ก็อ ย, อยากได้อยู่ได้ใช่ไหมทั้งที่น้ำผึ้งนั้นราคาเพียงห้าบาท คนนี้ก็อยากจะได้มากเอาร้อยบาทให้เขาร้อยบาทเลยพอร้อยบาทเอามันไม่น่าจะถึงร้อยบาททําไมเขาจึงให้เล็กล่าเอาพูดอีกเอาห้าร้อยบาทเอาพูดอีกพันบาทพูดอีกทนถึงแสนแสนก็หาปนะเหมือนกันเถอะพอนั้นบอกคนนี้ก็ถามว่าทําไมจึงจึงจึงจะจึงจะได้มากถึงขนาดนั้นมันอันนี้ต้ําพึ่งนะมันไม่กี่บาทเนี่ยนะ ทำไมให้ราคาแพงกันโอ้ยเพราะว่าเดี๋ยวกําลังหาเ อ, อหาน้ําพึ่งจะไปถวายพระพุทธเจ้าประทุมุตระพอพวกเราทําบุญอทิศทานในวันนี้ เ, เนี่ยแปลว่าวันนี้เป็นวันแตกหักกันเลยว่างั้นเ่เสียงให้ครบหทุกอย่างเลยบุญสุโธทา่านครับพผมไปด้วยผมไปด้วยบ้านนอกนั่นกันเนี่ยไปด้วยเถิพอไปถึงนั่นกันลิ่นน้ําพึ่งใส่ถ้วยอะไรเสิอะไรก็กรองให้ดีเรียบร้อยแลยกั ตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเกิดภพใดชาติใดคำว่าทุกจนขอให้มีความล่ำรวยรวยกว่าคนทั้งหลายในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตระท่านก็เห็นว่าอุบาสกคนได้คนที่ขายน้ำผึ้งไอ้คนที่ขายน้ำผึ้งคนที่ถวายน้ำผึ้งในวันนี้ต่อไปจะได้เป็น สาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตคือสาวกของพระโคดมพุทธเจ้าท่านก็เลยตั้งตั้งสาวกของท่านขึ้นมาให้เขาได้เห็นนะเอ่คือว่าดูกร อ, อุบาสกอุบาสิกาทางหลายพระสงฆ์ท้งหลายเนี่พระภิกษุลูกศิษย์ของเราตถาคตองค์เนี้เอที่เป็นผู้มีลาภมากที่สุดเป็นผู้มีอติเลกาลาภมากที่สุดในศาสนาของเราตถาคตเนี่ยแหละ เพราะอันนี้ส์ของเขาทําบุญในอดีตชาติเนี่ยในชาตินี้เขาได้เป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตที่มีอติเลกาลาบมากที่สุดพระพุทธเจ้าปทุมุตตะท่านประกาศแต่ชายคนนั้นพอได้ถวายน้ําพึ่งเสร็จแล้วก็ตั้งใจหมุบหมับขึ้นมาเลยท่านโอ้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอัติเลกาลาบมากเหมือนพระองค์นี้นะพระสาวกของพระพุทธเจ้าปทุมุตตะด้วยเท่านะก็เลย พอถวายน้ำพึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบแทบเท้าพระพุทธเจาธ้าปทุมมุตรวะวาข้าพระองค์ได้ถวายน้ำพึ่งในคราวนี้ถ้าเขาก็คิดให้ว่าเป็นประมาณมากพอสมควรแต่ข้าพระองค์ไม่เห็นแก่เงินแก่ทองข้าข้าพระองค์เห็นแก่บุญด้วยบุญกุศลที่ข้าพระองค์ได้ทาได้ถวายน้ำพึ่งในวันนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นผู้มีลาภมาก กว่าพิกษุทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นด้วยเธอญพระพุทธเจ้าปฐมุตตระท่านก็มองมองแต่ว่าอนาคตังสยามนี่เออเรียกว่าอนาคตังสยานคือจตูปปาปาตยานช้ยานแต่นะมองดูทั้งแบบปุ๊บปุ๊บไปเออในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนะเธอจะได้ชื่อว่าพระศิวลีเลิศกว่าพิกษุทั้งหลาย เป็นผู้มีไอเทเลกราบมากขอความปรารถนาของเจ้าจงสําเร็จสมความบุกมาตรปรารถนาเทินนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าพยากรณนะ์เลยพระพุทธเจ้าปทุมมตระพยากรณ์พระศิวลีในศาสนาของพระองค์จากนั้นก็ตายจากชาตินั้นก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ออกจากสวรรค์ลงมาขอมาเกิดนะเออเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนะแต่มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยอยู่ในท้องแม่เนะี่ย เจปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันฮะอ๋อทำไมคนยังอยู่ได้ขนาดเท่าไ่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันพระศิวลีนะเป็นผู้มีอตัตเลกระลาบมากนะแต่อยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันทําไมพ่อเกิดขึ้นมาละเดินได้เลยพูดได้เลยเอยางั้นเถอะแต่อยู่ในท้องแม่เจ็ดวันพอใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับลูกโป่งนะ่ะออกมาแล้วตัวเล็กๆเนะ่ะจากนั้นก็ใหญ่โปลโลเปลาโโลเปลาขึ้นมาเหมือนกับอายุเจ็ดเจ็ดขวบเลย แต่านี้คนพระสงฆ์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็ถามทําไมว่ามีกรรมอุปกรรมอะไรของพระศิวลีพระพุทธองค์บอกว่าพระศิวลีเนี่ยที่รับบาปกรรมในอดีตชาติคือชาติหนึ่งพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านี้ก็ไปไปลบไปลบเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองใหญ่ด้วยกันพอไปลบเสร็จแล้วก็ไปล้อมเมืองเขาท่นนี้พอไปล้อมเมืองเขาหนึ่งเขาก็มีทางออกอยู่ ผู้แม่อยู่ในเมืองเอ้ลูกไปไหนหายไปไหนบอกว่าลูกชายไปล้อมเมืองไปล้อมเมืองอีกเมืองหนึ่งก็ถามว่าทำล้อมยังไงเอ อ, อยังล้อมเนี่ยยังมียังมีช่องเขาออกหายอยู่หา ก, กินได้ไหมใช่เขาเขาหลุดออกจากอุมโมงค์ข้างล่างแม่เราบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะเอาชนะเขานนะนะนะต้องล้อมรอบให้มิดเช็ดมันออกทางไหนไมาให้มันออกเลย มันจึงจะชนะได้มันก็หมดอาหารมันก็ยอมนั่นนะ่ะอันนี้ไปปล่อยให้คนออกหาอาหารได้อยู่มันจะไปชนะได้ยังไงนี่แหละแม่กับลูกแม่ก็สั่งไปหาลูกชายลูกชายก็เลยสั่งปิดทุกประตูเลยไม่ให้คนในเมืองออกผลในสุดเขาก็เลยยอมแพ้เงินพระยาพระราชาไม่ยอมเขาก็จะยฆ่าพระราชผลผลิตพระราชาก็ยอมผลในสุดก็อะ้รเนี่ยนะพระเจ้าแผ่นดินเลยจะเข้าไปยึดเมืองได้ นี่แหละบาปกรรมมั น, นั้นแหละ อ, อทำการทาบุญทําบุญทําบาปร่วมกันกับลูกชายนะแค่ออว่ากักกันเขาล้อมเขาทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะจึงชนะเยเขาจึงยอมแพ้ดังนั้นเนี่ยพระศิวลีเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เลยอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงได้หลุดออกมาพอหลูกออกมาก็เป็นผู้ใหญ่เลยพูดได้เลยนะเออนี่แหละกรรมของ บุปกรรมของพระสิวลีเนี่ยแต ก, กต่างนะอันนี้พันพูดในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่หลวงพ่ออินพูดขึ้นมาเองนะพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้นนะอันนี้แหละคือกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอกตังลุกกตังเสอยู่ปัชชาตปฏิลุกกตังความชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนมีความทุกข์ตามมาเมื่อภายหลังนี่แหละ พวกเราวันนี้ก็คิดว่ามาสั่งสมคุณงามความดีนะมาซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนานี่แหละมันติดภพติดชาตินะถ้าเราทําคุณงามความดีถ้าทําความชั่วก็ติดภพติดชาติเหมือนกันเพราะน้นเพรพวกเราทําแต่คุณงามความดีจะได้ติดภพติดชาติไปสู่ภายภาคหน้านะอย่างพระสีวลีนะแต่จะไปคิดนะคนอื่นเขาทาบุญแล้วจะไปอิจฉาเหมือนกับ อำนาจของพระเจ้าประเสนที่กนนะุศลอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเรื่องของเขาสมบัติของเขาเงินของเขาเออมันไม่ใช่เงินของเราสักหน่อยเนะทําไมเราจึงไปให้อิจฉาเขามีอานุโมทนาให้เขาเท่านั้นนะเราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยเนะี่ยบุญกุศลเขามีศรัทธาอย่างนั้นเขาทําบุญเนี่ยแหะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นอุทาหรณ์และเป็นตัวอย่างของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนะ่ะ ถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้าหนุ่มโธนาให้พร